น้มันสการค่ะหลวงตาชื่ อ, อชื่อก้อยค่ะก็ฟังฟังในยู u ูปอะค่ะของหลวงตามาหลายมาหลายตอนนะคะก็เกิดคําถามขึ้นนะคะก็คือตัวเองก็คือเอาหลักของหลวงตาไปปฏิบัตินะคะก็คือเมื่อเมื่อหลงคิดก็ฝึกรู้สึกตัวค่ะหลงคิดแล้วก็รู้ฝึก รู้สึกตัวขึ้นมาบ่อยๆค่ะแล้วก็ไปปฏิบัติตามสํานักต่างๆก็ใช้การเดินจงกรมมาค่ะเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิก็คือเดินจงกรมนี่ก็จะเห็นเห็นรูปอะค่ะเห็นรูปแล้วก็นามว่ามันเกิดดับระหว่างการเดินแล้วก็การนั่งสมาธิก็กําหนดยุบหนอบ้องหนอแล้วก็ดูความคิดไปดูไปเห็นการเกิดกับการเกิดดับของสภาวะจิตอะค่ะก็ ตอนนี้ก็กําลังปฏิบัติคือหลงคิดก็ฝึกรู้สึกตัวบ่อยๆอะคา่ะหลงตาอันนี้ปฏิบัติถูกถูกถูกต้องไหมคะเ จ, จะจะบอกเข้าใจไหมถ้าเข้าใจก็เข้าใจเลยคือว่ามันเนี่ยมันเอาตัวเอาตัวเราเนี่ยนะเอาตัวเราเนี่ยไปคิดไปวิเคราะห์ไปค้นหาไปดิ้นรนไปมีครื่หมายเคลชิ ม, มกักเคลชิ ม, มกักเคลชิ ม, มากเอาตัวเราเนี่ยไปไปไ ป, ไ ป, ไปคิดไปค้นไปดิ้นรนไปค้นหาไป ไปสงสัยสงสัยสงสัยมิคือจะมากเต็มเลยไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวปงแต่งเราก็ปล่อยวางมันไปซะให้รู้ตัวเรารู้รู้ที่เราเนี่ยรู้ตัวเราแต่ไม่เนี่ยของต้อยเนี่ยคือเอาตัวเราเนี่ยไปคิดไปคนไปดิ้นลนค้นหาแต่ความจริงอะ่ะรู้เนี่ยมันต้องมารู้รู้ตัวเราแล้วปล่อยวางตัวเราไม่ทราบแต่เข้าใจแม่เนี่ย รู้ตัวเราแล้วปล่อยวางตัวเราอืมแต่ต้อยเนี่ยคือเอาตัวเราไปคิดไปค้นไปดิลนไปค้นหาไปพยายามไปสงสัยไปวิเคราะห์ไปตึกไปตองเนี่ยมันกลายเป็นว่าไอเอาตัวเราที่เป็นตัวเราเนี่ยไปเป็นสังขารคือตัวปรุงแต่งได้ตัวกระเพื่อมตัวไหวตัวตัวตัวที่มันเกิดดับได้เราก็เลยเอาเท่ากับเอาสังขัรห้าเนี่ยที่เป็นตัวสังขารปรุงแต่งเกิดดับเนี่ยมาเป็นตัวเรา หรือว่าเป็นตัวเราเนี่ยไปเป็นขนัขนธ์หน้าจึงเอาขันธ์หน้าเนี่ยไปนนปรุงแต่งได้เราหลงเอาตัวขันธ์หน้ามาปเป็นตัวเราเลยนะเป็นตัวตนของเราเลยแล้วก็หรือตัวเราเนี่ยตัวตนของเราเนี่ยเป็นขันธ์หน้าแล้วเราก็เอากลายเป็นว่าพอเราตัวขันธ์หน้ามาเป็นตัวเราหรือตัวเราเป็นขันธ์หน้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวเรากลายเป็นปรุงแต่งได้มันจะไม่เป็นจิตเดิมแท้ๆหรือว่าไอ้วิญญาณดั้งเดิมแท้ที่มาเกิดวิญญาณดั้งเดิมแท้มาเกิดเนี่ย มันไอตัวนี้ถ้าเป็นวิญญาณตั้งเดิมมแทรหรือจิตตั้งเดิมมแทหรือใจตั้งเดิมมแทหรือธาตุรู้แตทเนี่ยอันเนี้ยมันได้แต่รู้อย่างเดียวคิดไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้ตึกตองไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้กระเพื่อมไม่ได้หวตัวไม่ได้มีอาการอะไรไม่ได้ได้แต่ปล่อยวางอาการไปเรื่อยๆปล่อยวางปล่อยวางขันหนปล่อยวางขันหน้าตุกขนาปัจจุบันไปเรื่อยๆปล่อยวางเรื่อยๆปล่อยวางไปเรื่อยๆปล่อยวางไปเรื่อยๆอันไหนที่มันคิดได้กระเพื่อมได้ก็ถูกปล่อยวางไปหมดอะไรคิดได้กระเพื่ยมได้ก็ ใจหรือจิตเดินเดินแท้หรือท่วิญญาณตั้งเดินแต่้ที่มันไม่ไ ม, ไม่กระเพื่อไม่ไหวตัวคือรู้แล้วปล่อยอย่างเงี้ยเหรอคะรู้แล้วปล่อยขนาดเลยปล่อยปล่อยขนาดที่มันมันเกิดเห็นนี่ยทั้งรู้ตั้งเห็นแล้วก็วางไว้ด้วยพร้อมกันได้ไหมคือจะบอกว่ายัางไงอ่ะแตไปบอกอย่างเงี้เดี๋ยวเดี๋ยวต่อจะเอาอะไป ไปปล่อยวางสิ่งนี้ถูกรู้ปล่อยวางสิ่งนี้ถูกรู้ปล่อยวางแต่สิ่งนี้ถูกรู้ปล่อยวางรู้ปุ๊บอะไรก็ปล่อยเลยแต่ลืมปล่อยวางตัวผู้รู้ปล่อยวางตัวผู้รู้เองตัวเราเนี่ยเป็นผู้รู้เนี่ยลืมปล่อยวางผู้รู้เ <Personal knowledge? S 1> ข้าใจไหมเนี่ยปล่อยวางผู้รู้ก็คืออย่างสมมติว่ามันมีมีอาการอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมมีอะไรกับมีความคิดความนึกความตึกความตองแวบปุ่งข้นในใจเราเราเห็นปุ๊บวางพอมีขึ้นมาอีกเกิดปั๊บหรือปุ๊บวางสมมตินะเราวางเร็วมากเลยอะก็อีก าวางอีกเกิดออกมาอีกวางอีกเกิดมาอีกวางอีกวางไปเรื่อยๆแล้วก็วางเนี่ยแต่เราไม่วางตัวเราสักทีเราไม่ปล่อยวางผู้ไปวางแ ต, แต่เราตัวเราเนี่ยไปดูรู้เห็นนามรูปแต่เราไม่ได้ปล่อยวางผู้ดูรู้เห็นนามรูปคือตัวผู้รู้ท่เขาไปรู้นนะใช่ไหมคะใช่ใช่ที่หลวงปู่ดูนาตโลพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่นั้นว่าพบผู้รู้ฆ่าผู้รู้หรือหลวงตามหาบัวอาจารยสัมปันโนหรือหลวงปู่ล่าเก็บมัปปตโตพระอรหันต์ท่านว่า พบผู้รู้ให้ปล่อยวางผู้รู้แต่ของเราเนี่ยไปปล่อยวางแต่ความคิดอารมณ์อาการที่ถูกรู้หรือปล่อยวางรูปนามแต่ไม่ได้ปล่อยวางผู้รู้ผู้รู้แท้จริงเนี่ยเป็นวิญญาณนักขัเป็นวิญญาณนักขันเราบอกปล่อยวางรูปนามแต่เราปล่อยวางไม่หมดคือเราไม่ได้ปล่อยวางวิญญาณนักขัเพราะวิญญาณนักขัเนี่ยคือผู้รู้หรือผู้รู้เนี่ยคือวิญญาณนักขัเราต้องไปวางผู้รู้นี่ด้วยปล่อยวางวิญญาณนักขันมันถึงจะละอุปทานขันหน้าได้ครบ แล้วถ้าป่อยรู้แล้วเราไปอยู่กับตัวไม่มีเราถ้าจะเอาเราไปอยู่กับอะไรมีตัวตนเหมือนเป็นอาวิชาหมดคือปล่อยวางทุกอย่างนะคะถูกต้องและและถ้าปล่อยวางคือรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยหลงคิดรู้แล้วปล่อยปล่อยรูปรูปกระขนนามกระขนสิ่งที่ที่รู้ทั้งหมด ใช่ถูกต้องค่ะและการหลักการเจริญปัญญาค่ะคือเราโ ย, โยนมินิโสมมนาสิการเข้าไปสอนใจตัวเองเช่นบางครั้งคือรู้ว่าจิตจิตมันสอนจิตะคะ่ะว่าทุกอย่างเป็นของชั่วขราวไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองพ่อแม่พี่น้องแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เป็นของชั่วขราวอย่างเงี้ยค่ะจิต จิตก็คือที่ปฏิบัตินะคะจิตมันสอนแบบเนี้ยค่ะเพื่อให้ปล่อยวางค่ะอันนี้ถูกต้องมค่ครับก็ถูกต้องก็ต้องปล่อยวางป่อยวางแล้วก็ปล่อยวางคํไอ้นั่นนะ่ะปล่อยวางทรัพย์สินเงินทองพ่อแม่พูพี่น้องคือมีอยู่ใช้จ่ายอยู่แต่ไม่เข้าไปยึดให้เป็นทุกข์คำว่าปล่อยวางไม่ใช่ว่าเราเนี่ยหันหน้าหนีไม่ใช่นะคือคําว่าปล่อยวางหมายถึงว่าสิ่งนั้นมันมีนมอยู่แต่ไม่ไม่ไปยึดกันให้เป็นทุกข์ คนที่มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วมีหน้าที่การงานแล้วก็ทํางานในเนี่ยแต่ไม่ไปยึดให้เป็นทุกข์ครอบครัวเนี่ยก็อย่าไปยึดให้เป็นทุกข์ก็อยู่ด้วยกันได้ความรักความเมตตาต่อกันอย่าไปยึดให้เป็นทุกข์ไม่ใช่ยึดกันให้เป็นทุกข์ทะเลาะบาะแว้งกันมันยึดให้เป็นทุกข์ <c oughs> คือให้มันอยู่ด้วยกันได้ความเมตตาความรักความเมตตาเจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานก็คือเราเราสอนจิตของเรา คือคืออยากจะรู้ว่าการเจริญปัญญาค่ะมีวิธีไหนบ้างจากแค่คือพิจารณาว่าทุกสิ่งเป็นของชั่วคราวและยังเราสามารถเห็นอะไรได้อีกอะคะที่เข้าไปที่เห็นฟังบางตอนคือหลวงตาบอกว่าให้เอาจิตไปกัดกัดจิตจดจอ่อตัวเนี้ยค่ะค่ะกัด จ, ดจิตดจดจอ่อก็หมายถึงว่าคาว่ากัดจิตจดจ่อหมายถึงว่าเมื่อเราเนี่ยฟังอันนี้เข้าใจแล้ว ใครของใครของมันนะคือแต่ละคนอาจจะปิ้งไม่เหมือนกันฟังแล้วเนี่ยอาจจะปิ้งคนจะปิ้งนี่คนนี้ก็ปิ้งนี่นะรู้จักคำว่าปิ้งไหมภออาษาอะไรนะเขาเรียกอะไรนะคือบางทีเราก็ใช้คำว่าเก็ขึ้นมาอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรนะมันโพลง่งเข้ามาในใจเงี้ยมันแบบตกใช่เลยตรงนี้มันใช่มันจะพ้นทุกข์ก็เพราะตรงนี้แหละแล้วตอนเนี้ยพิจารณาแต่ตรงนี้เลยแต่ตรงของเราที่เราเข้าใจไปเดี๋ยวเนี้ยเราก็ พิจารณาอย่างนั้นแหละทั้งวันทั้งคืนกี่วันกี่เดือนกี่กี่วันกี่เดือนกี่คืนก็พิจารณาแต่ตรงเนี้ยทั้งวัน ท, delay, ทั้งคืนไม่ช้าเรามันก็คือเอาตัวนี้<อ>ที่ปัญญาที่เกิดจากการปิ้งเน่ยค่ะใช่ใช่ที่เกิดจากการปิ้งอเอาไปทำให้มันเกิดขึ้นจริงเป็นจริงและส่วนที่การเข้าไปรู้แล้วปล่อยล่ะคะการเข้าไปรู้ไปปล่อยก็คือ <acer> เย เ, เ, เราปิ้งตรงนี้ เ, เราก็คือฟังแล้วเราปิ้งตรงนี้ว่าอ๋อตรงเนี้ยมันจะทำให้เราพ้นทุกข์ก็คือปล่อยปล่อยปล่อยทุกอย่างที่รู้ เราก็กาติดจอดๆก็คือว่าไอ้ปล่อยทุกอย่างที่มันรู้ขึ้นมาเนี่ยท่านหนูเนี่ยปล่อยทุกอย่างที่มันรู้ขึ้นมาแสดงว่าเป็นผู้มีสติปัญญาแต่ถ้าไม่ไม่ปล่อยแสดงว่าไม่เป็นผู้มีสติปัญญาคนที่ปล่อยได้ปล่อยวางได้แสดงว่าเป็นผู้มีสติปัญญาค่ะและถามอีกคําถามหนึ่งค่ะพอดีว่า ปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วคราวนี้ก็คือในใจก็คือตัวเองก็คือตั้งใจไว้ว่าจะไม่แต่งงานแต่มาถึงวันหนึ่งมาเจอคนที่ที่ใจมันบอกว่าใช่เป็นคู่บุญคู่บารมีมาก่อนนะคะเราจะทําใจยังไงให้วางเขาให้ได้คะ่ะก็มีอารหาันต์หลายท่าน เขาก็เตือนท่านเมนอย่างเป็นยกตัวอย่างหลําปู่แหวนสุจินโนบอกว่าท่านเน่ยมีพระผู้รูก้ก็เตือนว่าท่านอย่าไปที่ลิมแม่น้ำโขงไม่นั้นขาดนะท่านจะเจอคู่ของท่านท่านจะสู้เขาไม่ได้ท่านจะแพ้จะเจอเนื้อคู่ของท่านท่านก็ไม่เชื่อแล้วก็ไปส่งน้ำที่แม่น้ำโขงผู้หญิงกับแม่พายเรือมาแม่เป็นคนพายหน้าผู้หญิงเป็นคน เออถือขัดหางเรือหางท้าขั ด, ข ด, ข ด, ข ด, ขดท้ายเรือพอเจอลุง ป, ปู่แหวนสงน้ำอยู่กคนั้นแหละต่างคนต่างไฟฟ้าช็อตต่างคนต่างไฟฟ้าช็อตผู้หญิงก็ถือถอเรือค้างไม่ไม่ไม่ถอดไม่ไม่ไม่ไม่ัดงเสือแังนั้นแหละหัวเรือก็พุ่งก็หาฝั่ง จ, จนแม่ตะหวาดขึ้นมาร้องขึ้นมาจนตกใจ แยกสติขึ้นมาแต่หลวงปู่แหวนเนี่ยอยู่ในน้ําเซเลยอเจอกันก็เซเลยก็พอเลยไปแล้วไม่ไม่ทราบเกิด อ, อะไรขึ้นผู้แม่ของผู้หญิงกับผู้หญิงก็กลับมาหาที่วัดกลับมาหาลวงปู่แหวนย้อนมาหาลวงปู่แหวนที่วัดเองหลวงปู่แหวนตัดสินใจหนีออกหลังวัดเลยแล้วไม่กลับไปไปเจอหน้าอีกเลยนี่ก็กรณีลายหนึ่ง อีกลายหนึ่งหลวงปู่ฟั่นอาจารโลเป็นพระอรหันต์พ่อแม่ครูาอาจารย์ท่านมามากรุงเทพมาตุรัรที่กรุงเทพเกิดเจอเนื้อคู่ของท่านนั่งรถลากสมัยก่อนเป็นรถลากนั่งรถลากผ่านไปนั่นแหละแค่สบตากันเนี่ยไฟฟ้าชอ็อตผู้หญิงก็ฟุบไปเลยหลวงปู่ฟั่นก็เซเะยจงพระต้องช่วยประคองตอนนั้นเนี่ยสติแตกเลยจิตมันคิดแต่จะ คิดแต่ในเรื่องจะสุดไปแต่งงานเขานี่ยแหละปาก็ก็เลยช่วยกันช่วยกันประคองและพาออกจากจังหวัดแล้วก็ช่วยกันชิ้ช่วยกันพูดช่วยกันชิช่วยกันประคับประคองแล้วพาออกจากจังหวัดเลยก็หลอดคนได้แล้วก็มีอีกองคหนึ่งจําชื่อไม่ได้แล้วว่าใครท่านอยู่ในถ้ำปฏิบัติจิตในถ้ำเทวดามาบอกว่า วันพรุ่งนี้ท่านจะเจอเนื้อคู่ของท่านไอ้ท่านรบหนีไปเลยท่านสู้เขาไม่ได้หรอกท่ก็ว่าโอ๊ยบางเป็นเพียงมันขนาดนี้จะกลัวอะไรไม่กลัวพอไปบินธบาตแต่ท่านก็ไม่กลัวแตว่ท่านกนะ็สํารวมท่านว่านะคงสํารวมสํารวมไม่มองหน้าใครแั้วนั้นแหละดูแต่ในบาทแค่เห็นมือเขาตักข้าวมาใส่บาทแค่นั้นแหละหลงรักเขาเลยหลงรักเขาเลย แล้วก็ความที่เป็นคู่กันมาเก่าอ่ะพ่อถึกเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านเน่ะพาลูกสาวขึ้นมาถึงถ้ำเลยแล้วก็บอกว่ามองไม่เห็นในหนุ่มคนไหนเหลยที่มันจะรักษาสมบัติไว้ได้มีลูกสาวคนเดียวมีแต่ท่านเท่านั้นเนี่ยที่จะรักษาสมบัติไว้ได้นี่ความมันเป็นเนื้อคู่กันมันเป็นคู่วิบากกรรมกันเนี่ยคนไทยอ่ะ เอาลูกสาวกำ น, นันยู่อ่ะลูกสาวไมยกให้พาในถ้า เ, เฉยเลยเลยอะลองคิดดูสิแต่ท่านบอกว่าให้เขากลับไปก่อนแล้วจำไม่ได้ว่าขอเวลากี่วันให้เขากลับมาฟังคําตอบท่านอดข้าวอดนอตอดข้าวอดน้ําเลยดข้าวอดน้ำแล้วทิฏฐ า, านว่าถ้าผ้าเหลืองหลุดออกไปต้องไปแต่งงานเมื่อไหร่เนี่ยห ล, หลุดออกไปเพื่อไปแต่งงานเมื่อไหร่ผ้าเหลืองหลุดออกจากกายเมื่อไหร่ คอยถึงแก่ความตายแล้วท่านก็ไม่ฉันข้าวไม่ฉันน้ำํำจน ก, กระทั่งอ่ะต่าลว่ามันเหมือนกับมันจะสติบไอ้มันดับจิตมันดับวูบปไปเลยอ่ะเหมือนกับที่ขานขานน้ําน้ําน้ําน้ําจะเอื้อมมือไปหาไอ้น้ำในองค์ดินจิตมันดับวูบลงไปเลยแล้วก็ท่านฟื้นมาไม่รู้นานเท่าไหร่ท่านฟื้นมา พอฟื้นมาอารมณ์ที่อยากจะศึกไปแต่งงานกับเขาเนี่ยก็หายไปหมดแล้วท่านก็หนีเลยแล้วก็รอดนะอยู่ที่ใจอย่างเดียว